ขอเชิญสาธุชนสดับรับฟังรายการธรรมและทัศนชีวิตบรรยายธรรมโดยอาจารย์วะสิงห์อินทัสดละสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสองทุ่มสามสิบห้านาที ผมได้คุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องธรรมะสำหรับตอนรับปีใหม่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องออทางผู้ทางไปสู่ความสุขพูดถึงเรื่องความดีสี่ประการ แล้วก็เบ็ดเตล็ดอะไรอีกอะไรอย่างที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์จิตใจให้ดีเพื่อสุขภาพจิตดีทีนี้ถ้าต้องการถ้าต้องการทรัพย์สินสมบัติต้องการโชคลาบต้องการให้เป็นผู้มีโชคลาบท่านก็บอกคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะ ให้โชคลาภเอาไว้เหมือนกันเช่นว่าโชคลาภจะลังไหลมาสู่บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือหนึ่งมีความมุสาหะแล้วมีความภาคเพียร น, นะครับมีความมุสาหะมีความภาคเพียรไม่หยุดยอด มีความพักเพียรไม่หยุดหย่อนหนังสือเด็กสมัยโบราณาเด็กเด็กนักเรียนชั้นประถมนะครับมันมีการผลทั้งให้เป็นเข็มมีเรื่องการผลทั้งให้เป็นเข็มอันนั้นก็เป็นการสอนเรื่องความอุสละความพักเพียรความพยายามเพื่อให้เห็น จิตทิพนหรืออนุภาพของความพยายามว่าเขาสามารถจะทําได้ถึงขนาดนั้น <c oughs> ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่จะเกินความเพียรพยายามของคนไปได้เคยเล่าให้ฟังถึงเรื่องอชาโกถึงเรื่องทีสองเมืองก็รบกันแล้วก็มาถามแม่ทัพ คนหนึ่งก็มาถามฤศีถามว่าฝ่ายไหนะจะช น, นะก็ฤศีก็บอกว่าเดี๋ยวขอถามเทวดาดูก่อนว่าเทวดามาหาท่านอยู่เป็นประจำมาคุยกับท่านอยู่เป็นประจำเวลารับคน อ, อ, อวันเทวดามาก็ถามเทวดาก็บอกว่า ฝ่ายกอสมมติเป็นฝ่ายกอฝ่ายขอนะครับฝ่ายกอจะช น, นะแต่ถ้าแม่ทับฝ่ายกอเนี่ก็มาถามฤๅษีวันต่อมามาถามฤๅษีฤๅษีก็บอกว่าเทวดาบอกว่าฝ่ายกอจะช น, นะไอ้ฝ่ายกอได้ยินอย่างนั้นก็ดีอกดีใจก็ไปบอกพรรคพวกฝ่ายเราจะต้องช น, นะเพราะเทวดาบอกแล้วว่าฝ่ายเราจะช น, นะก็ ก็ประมาทประมาทมัวเมากินเหล้าเมายาเต้นรำสนุกสนานึ้นเพลงกันไม่เป็นอันระแวดเราหวังเพราะเชื่อเทวดาททางฝ่ายขอนี่ก็ได้ทราบข่าวเหมือนกันพระทราบข่าวจากฝ่ายกอทั้งแหละฝ่ายกอก็เอะอะโวยวายร้องรั้ น, น, A R o y y, นว่าเขาจะเป็นฝ่ายชนะเทวดาพอกเลย ใค่ขอก็แม่ทัพก็ฉลาดและมีอุตสาหะมีความเพียรก็ชวน <c oughs> ชวนนายทหาร่วนทหารที่สำคัญสำคัญขึ้นไปบนยอดเขาก็มีเหวอยู่เขาบอกว่าพรุ่งนี้เร า, เาจะต้องรบใหญ่ทีนี้ก็ท่านพร้อมที่จะกระโดดลงเหวไหมคือว่าการที่เราจะแพ้เรากระโดดลงเหวซสก่อนดีกว่า ทุกคนพร้อมที่จะกระโดดลงเหวประมาณห้าร้อยคนพร้อมที่จะกระโดดลงเหวนายทัพเขาห้ามเอาไว้บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องก็เป็นนั้นว่าเราตายไปแล้วเราสละชีวิตแล้วตายไปแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะต้องรบรบเหมือนคนตายแล้วคือว่าไม่เสียดายชีวิตเพราะว่าเราได้สละชีวิตกระโดดลงเหวแล้วทุกคน ไม่ต้องกลัวตายวันรุ่งขึ้นก็ออกรบไอ้ไฟไฝ่กอนั่นทั้งประมาททั้งเมาทั้งหลายอย่างไม่เป็นระเบียบรบสู้ไฟขอไม่ได้ไฟขอช น, นะไอ้ไฟกอก็แพ้วิ่งหนีหนีกันไปหนีไปก็ดา่าฤอษีไปว่าฤๅษีทำไมโก้พูดเถิด เทวดาก็โกหกฤอศีก็โกหกเขาเป็นฝ่ายแพ้พวันต่อมาวันต่อมาก็มาถามฤๅศีว่าทำไมพูดเท็จยางนั้นเทวดาก็พูดเท็จฤๅศีก็ถามเทวดาเทวดาบอกว่าใครจะไปต่อสู้กับความเพียรพยายามของคนได้ใครจะไปต่อสู้กับความเพียรพยายามของคนได้ไมยายามไดแม่เทวา แม้เทวดาก็สู้ความพยายามของคนไม่ได้หรือว่าถ้าเหตุการณ์ปกติหมายควว่าเขาก็ดูถูกแหละเขาก็ทายถูกอ่ะว่าทายถูกแล้วว่ า, า, วาฝ่ายนี้จะชนะถ้ามันเป็นไปตามปกติโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่นี้อีกฝ่ายหนึ่งไม่มีความเปลี่ยนไม่มีความมุสา ประมาทมัวเมาอีกฝ่ายหนึ่งเขามีความเพียรพยายามมีอุตสาหะเขาก็ประสบชัยช น, นะก็เป็นโชคลาภอย่างหนึ่งอันนี้ว่าโชคลาภย่อมจะหลังไหลมาสู่ผู้ที่สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติคือหนึ่งมีความอุตสาหะพักเพียรพยายามก็อสองนะครับไม่ผัดเพียรเวลาไม่ผัดเพียรเวลา ว่าถ้าสิ่งใดที่ควรจะทําวันนี้ก็ต้องทําเสียวันนี้สิ่งใดที่ควรจะทําตอนเช้าก็ทําเสียตอนเช้าสิ่งใดควรจะทำบ่ายก็ทําเสตอนบ่ายสิ่งใดที่ควรจะทําเวลาไหนก็ทําเสเวลานั้นไม่ผัดเพี้ยนเวลาสุพิทก็มีว่าอผัดเพี้ยนเป็นทุ่งนี้ก็ยิ่งเสื่อมถ้าผัดเพี้ยนเป็นมารืนนี้ก็ยิ่งเสื่อมใหญ่สิ่งที่ควรจะทําวันนี้ ผัดเพียนว่าค่อยพรุ่งนี้เถิดและจริงทําก็ยิ่งเสื่อมแล้วยิ่งผัดเพี้ยนไปสองวันว่ามาฤดนนี้เถิดจึงค่อยทำํำก็ยิ่งเสื่อมใหญ่เพราะฉะนั้นคนที่ต้องการให้โชคลาภพลังไรมาสู่ตัวต้องมีคุณสมบัติประการที่สองคือไม่ผัดเพียนเวรละ ัูนักเรียนเป็นตัวอย่างก็ได้ครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาให้เวลาเรียนทั้งเทอสมัยเมื่อก่อนนี่อย่างการเรียนของพระนี่ครับการเรียนของพระสงฆ์นี่เขาหเวลาทั้งปีเลยปีหนึ่งสอบผลเดียวไม่ใช่ในระบบมหาวิทยาลัยนะครับในระบบนักธรรมบาลีก็ให้เวลาทั้งปีปีหนึ่งสอบผลเดียวก็เรียก ว, ว่าสอบสนามหลวงคือสนามใหญ่แล้วก็ บางท่านก็ก็เที่ยวเที่ยวเที่ยวไปไปมามาอะไรต่ออะไรเออนักเรียนเอานักเรียนทางโลกก่อนก็ได้เลยเจ็ดวันจะสอบก็มามุ่งเอาตอนนี้มาบุกเอาตอนเจ็ดวันจะสอบก่อนหน้านั่นก็เที่ยวกินเที่ยวเล่นเที่ยว er, บา er, เที่ยวครับเที่ยวสัมมะเลเทเมาเที่ยวสวนเซเฮาแล้วมาบุกเอาตอนนั้นมาบุกเ็ตอนเจ็ดวันจะสอบ หามรุง่งหามคำ่ำไม่เป็นอันหลับอันนอนไม่เป็นอันกินแล้วมันจะเอาสมองที่ไหนไปสอบ <c oughs> อย่าบางคนที่เขาเป็นนักเรียนดีๆเนี่ยพอเจ็ดวันจะสอบนี่เขาเลิกดูหนังสือแล้วเลิกดูหนังสือแล้วเพราะว่าพร้อมมันมีความพร้อมเต็มเปี่ยมยิ่งในระบบการศึกษาของพระที่สอบนักธรรมบาลีปรเรีณสามปรเรีณเก้าอะไร ก็ให้เวลาทั้งปีหนังสือมีอยู่ตำราก็มีอยู่ตำราก็มีอยู่เท็กซ์บุ๊กเขาก็มีอยู่ดูได้ทั้งสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวกว่าจะเข้าสอบบางคนไม่ได้เลยสักเที่ยวเดียวและบางคนอิดเจ็ดวันจะสอบหยุดดูหนังสือแล้วแล้วก็สอบได้ทุกปี สมองมันก็สดใสสมองสมองมันไม่ลาไม่อะไรพร้อมเตรียมพร้อมที่จะเข้าสนามว่าใช้เวลาทั้งปีในการหาความชำนาญในตำรับตำรานี่เพราะว่าเขาไม่ผัดเพี้ยนเวลาคนที่ผัดเพี้ยนเวลาก็ค่ อ, คอยใกล้ๆกล้สอบเถอะค่อยคอย่ใกล้ใกล้สอบเถอะแล้วค่อยค่อยทำค่อ ย, อยดูนั่นสย อันนี้ยกตัวอย่างนักเรียนก่อนนะครับสำหรับคนทำงานเรื่องอื่นก็ทำนองเดียวกันใกล้ ย, ยกันคุณสมบัติของผู้ที่จะทำให้โชคลาภหลั่งไหลมาสู่ตนแล้วข้อที่สามคือรู้เท่าทันชั้นเชิงกิจการอันนี้ถ้าเป็นพ่อค้าวานิชเป็นนักเสี่ยง ในการประกอบกิจาการก็สำคัญเพราะว่าถ้าเล็งผิดเล็งผิดมันก็จะขาดทุนมากถึงกับย่อยจับไปเลยถ้าเล็งถูกก็จะได้กำไรจะได้มากเล็งผิดก็เสียมาก เพราะนั้นคนที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเสี่ยงได้เสียนี่ก็ต้องมีวิจารณญาณวิจารณอาจารย์วิจาร ณ, าารณปัญญาที่ว่ารู้เท่าทันฉันเชิงกิจการว่าจะทำอย่างไรต่อไปในเมื่อ เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เราควรจะทําอย่างไรต่อไปเอ่อก็เป็น <c oughs> กาลนาหรือว่าความผูกข้าวตานอยู่ในอํานาจของเหตุการณ์เข้าใจเหตุการณ์ยึดหยุนได้ไม่ไม่ดื้อดึงไม่ดันทุรังหรือว่ากาลนานมนสิการ มีความมีความเข้าใจในเหตุการณ์ก็มีปัญญามีปัญญาก็เรื่องคนตั้งตัวได้ต่างๆก็รวนแต่อยู่ในลักษณะนี้ทั้งนั้นนะครับต้องรู้เท่าทันชั้นเชิงกิจการมีวิจักพโนหรือวิจักขณา เล่งไปได้ไกลว่ า, าต่อไปภายหน้าจะเป็นอย่างไรมันถ้าคาดการผูกก็จะได้ได้อะไรเยอะถ้าคาดการผิดก็จะเสียอะไรเยอะมันแล้วแต่การลงทุนว่าลงทุนไปมากหรือลงทุนน้อย ถ้าถ้าขึ้นที่ขึ้นที่สูงมากมันก็ถ้าตกลงมามันก็เจ็บมากถ้าขึ้นไม่สูงมากก็ไม่เจ็บเท่าไหร่อันนี้ก็สำคัญอยู่ตรงที่การณวสิกตาการณะมนสิยการมีวิจารณะปัญญาวิจักขโน ก็มีปัญญาเล็งไปได้ไกลมีพระพุทธภาสิทเทว่าปฏิรูปการีธุระวาอุทธธาตาบินเตทนังคนที่ขยันประกอบธุระให้เหมาะเจาะก็จะหาทรัพย์ได้ คนที่ขยันประกอบธุระให้เหมาะเจาะก็จะหาทรัพย์ได้ทีนี้ถ้าไม่ขยันด้วยประกอบธุระไม่เหมาะเจาะก็จะหาทรัพย์ได้ยากเมื่อคืนนี้ก็ <c oughs> ฟังรายการวิทยุรายการหนึ่งก็มีคนผู้หญิงจีนคนหนึ่งท่าทางอายุมากแล้ว โทรเข้ามาในรายการโทรเข้ามาในรายการในรายการวิทยุท่านบอกว่าคนไทยคนไทยนี่ยากจนเพราะว่าสักไฟในอบายามุขอันนี้ผมจะพูดในขอพูดในรายละเอยียดอีกทีหนึ่งในข้อข้อต่อไปคือข้อข้อที่สี่ ฉันชี้ให้ดูว่าคนจีนคนอินเดียเข้ามาเมืองไทยไม่กี่ปีสองสามปีก็สร้างเนื้อสร้างตัวได้ยิ่งอยู่ไปเป็นสิบปียี่สิบปีเขาก็จะเป็นเจ้าสัวเป็นอะไรต่ออะไรซึ่งมีลูกหนี้เจอะเพราะว่าทำไมคนไทยซึ่งเป็นเจ้าของแผ่นดินทินเกิดทำไมจึง จึงลำบากลาบากหรือยากจนกว่าเขาอะไรนี่ <c oughs> ท่านพูดดีท่านพูดดีมาก <c oughs> ผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าคิดมากทีเดียวเพราะว่าแล้วผมไวเอาไว้ขอพูดให้ละเอียดเรื่องนี้ในหัวข้อที่สี่มาว่ข้อที่สามที่ว่ารู้เท่าทันชั้นเชิงกิจการ นี่ก็ตามที่ได้กล่าวมาแล้วมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งในสมัยพุท ธ, ธกาลมีคนอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นคนฉลาดเป็นคนฉลาดแล้วก็จะเรียกว่ารู้เท่าทันชั้นเชิงกิจการรู้ว่าใน โอกาสอย่างไรควรจะทำอย่างไรอขอเล่าให้ฟังขอเล่าให้ฟังมันเป็นคติ <c oughs> พวกตัวอย่างพวกนี้เรื่องเล่าต่างๆนี่ทุกการทุกสมัยมันจะมีคติแวงอยู่ให้เราได้คิดก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยความที่นิสิตก็ <c oughs> อ่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นบุตรเศรษฐีที่เมืองราชสุด ก, ก็มีทรัพย์สี่สิบโกดสี่สิบโกดนี่ก็สี่สี่ร้อยล้านสี่ร้อยล้านก็หาปัญ่ะคราวหนึ่งอหิวาตกรโรคระบาดหนักอหิวาตกรโรคนี่ ไม่ตรงกับอหิวาที่ใช้อยู่ในภาษาไทยจะสงสัยเหมือนกันผมผมเองก็สงสัยว่ามันเป็นโรคอะไรกันแน่ก็ได้ลองสอบดูในพจนานุกรมบาลีอังกฤษท่านท่านแปลอหิวาตะกะโรคว่าเป็นแผลแผลนี่คือกาลโรค ก็ไม่ตรงกับอฮหิวาในความหมายของภาษาไทยของเร า, เ, าเพราะว่ามันมีอะไรแปลกอาหิวาก็ว่าอาท่านใช้คำอาหิวาตะกกรุโคเนี่ยอฮหิวาก็ปาดหนักสัตว์เล็กๆตายก่อนต่อมาจึงถึงมนุษย์ในพวกมนุษย์ก็พวกทาสและกรรมกรตายก่อนเจ้าของบ้านตายทีหลัง ที่นี้เมื่ออาหิวาต ก, การโรคหรือการระโรค ก, ก็แล้วแต่มาถึงเศรษฐีและพันยาเขาทั้งสองก็ร้องไห้ไ <c oughs> ด้วยว่ามีหน้าหนองด้วยน้ำตามองดูบุตรซึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็กล่าวว่าการหนีโรคชนิดนี้ท่านว่าต้องพังฝาเรือนไป <c oughs> ก็ให้พังฝาเรือนไปเจ้าจงทำอย่างนั้นเถอะอย่าได้ห่วงใยพ่อและแม่เลยเมื่ อ, อยังไม่ตายก็จงกลับมาขุดเอาทรัพย์ที่พ่อและแม่ฝังไว้สี่สิบโกดเลี้ยงชีวิตต่อไปทีนี้ก็ <c oughs> สงสัยต่อไปว่าทำไมต้องพังฝาเรือนไป คำนี้เป็นเป็นสำนวนเป็นอีเทียมเป็นอะไรหรือว่าเป็นความหมายตรงๆว่าตรงพังฟ้าเรือนไปหรือว่ามันมันมีความหมายอะไรแฝงอยู่เป็นเพียงสำนวนแต่ความหมายจริงๆมันไม่น่าจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ความหมายอันนี้ก็ได้ อ, อ, อยังไม่ได้ยังไม่ได้ค้นหาให้ แน่นอนก็ยังบอกไม่ได้ตอนนี้ว่าความหมายตรงตัวหรือว่าเป็นความหมายที่เป็นสำนวนเด็กน้อยเชื่อ <c oughs> <c oughs> มั่นดาร้ อ, าองไห้แล้วก็ไหว้ท่านทั้งสองแล้วก็พัง้าเรือนหนีไปไปอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งเป็นเวลาถึงสิบสองปี จึงกลับมาเมื่อเขากลับมาใครๆก็จําเขาไม่ได้เพราะว่าตอนไปยังเด็กกลับมาเมื่อเป็นหน่มแล้วมีหนวดเครารุงรักครานี้เด็กหนมุมคนนี้ไปตรวจดูที่ฝั่งรับเห็นอย่างเรียบร้อยดีทุกอย่างเขาก็คิดต่อไปว่าใครๆก็จําเราไม่ได้ ถ้าเราขุดเอาทรัพย์ออกไปใช้สอยคนทั้งหลายก็จะประลัดใจว่าคนเข็นใจนี้ไปเอาทซั์มาจากที่ไหนก็จะจับตัวเขาก็จะถูกจับแล้วก็คนทั้งหลายจะเบียดเบียนจะเบียดเบียนเราจากการนั้นเลยเราเก็บทรัพย์ไว้อย่างเดิมก่อนแล้วไปรับจ้างทํางานเลี้งชีพดีกว่า เขาตกลงใจอย่างนี้แล้วก็ออกหางานทำไปได้งานรับจ้างปลุกคนงานในที่แหงหนึ่งหน้าที่ของเขาก็คือว่าตื่นแต่เช้ามืดเที่ยวปลุกคนงานให้ลุกขึ้นเตรียมเกวียนหุงข้าวสวยหุงต้มข้าวสวยหุงข้าวต้ม ขงข้าวสวยเข้าสต้มเป็นต้ น, นครับ <c oughs> ก็ได้เรือนหลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นที่อยู่และอยู่คนเดียวรวมความว่าไปได้งานเป็นแขกยามก็ได้ทำหน้าที่นั้นอย่างดีที่สุดไม่บกพร่องไม่เคยนอนตื่นสายเช้าวันหนึ่ง พระเจ้าพิมพิสา ร, รได้สดับเสียงของเขาพระเจ้าพิมพิสา ร, รนี่มีพระคุณสมบัติพิเศษนะครับคือว่าทรงรู้เสียงสัตว์ทุกชนิดแล้วก็เมื่อทรงสดับเสียงของชายหนุ่มคนนี้จึงได้จัดว่าเสียงของคนคนนี้เป็นเสียงคนมีศัพด์ เป็นเสียงคนมีทรัพย์มากนางสนมคนหนึ่งยืนอยู่ที่กลยคิดว่าพระราชาคงไม่ได้จัดอะไรเหลวไหลเป็นแน่แท้จึงเลยสั่งคนผู้หนึ่งให้สืบให้ไปสืบดูแต่ความจริงกลับปรากฏว่าเป็นเสียงของชายเข็นใจคนหนึ่งรับจ้างเป็นแขกหยาบ คอยปลุกคนให้ตื่นขึ้นทำงานพระราชาทรงสดับเครื่องนั้นแล้วก็ทรงเฉยเสียในวันที่สองและวันที่สามเมื่อทรงสดับเสียงของชายผู้นั้นอีกก็จะเช่นเดียวกันนางสนมก็คิดว่าพระราชาไม่เคยจะอะไรเหลียวไหรจะต้องมีอะไรลี้ลับอยู่เป็นแน่จึงทูลพระราชาว่า หากข้าพระองค์ได้ทรัพย์สักพันหนึ่งข้าพระองค์ก็จะไปทาอุบายเอาทัพ์จากชายคนนั้นมาให้ราชสกุลให้จงได้ <c oughs> พระเจ้าพิมพิสารพระราชทานสัพ์พันหนึ่งให้หนางสนมนางและลูกสาวแกล้งแต่งตัวปอนๆทำทีเป็นคนยากจน ไปยังถนนเป็นที่อยู่ของคนรับจ้างเข้าไปขอพักอาศัยในเดือนหลังหนึ่งแต่เจ้าของบ้านปฏิเสธมีคนบอกว่ามีคนอยู่มากแล้วให้ไปขออาศัยชายคนหนึ่งชื่อกุมพระโกศซึ่งอยู่คนเดียวนางสนมไปขออาศัยอยู่กับบ้านของกุมพะโกศคือผู้ชายคนที่กำลังพูดถึงอยู่ดี เขาปฏิเสธหลายครั้งแต่นางก็อ้อนวอนจนได้กุมพระโกศยอมให้พักอย่างเสียไม่ได้วันรุ่งขึ้นเมื่อกรมพระโกศจะออกไปทำงานนอกบ้านนางได้ขอข่าอาหารไวส้สำหรับทำอาหารให้กุมพระโกศษษปฏิเสธบอกว่าไม่ต้องก็ได้ฉันทำกินเอง ก, ก็ได้ ฉันทํากินของฉันมาตลอดแต่นางสนมก็ยังคงอ้อนบอนจนได้แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ของกุมพระโกศไปซื้อหาอะไรเลยก็เพียงสักแต่ว่ารับไปเท่านั้นนางได้ไปซื้อข้าวสารอย่างดีเครื่องแต่งเครื่องครัวอาหารอย่างดีมาปรุงอาหารให้อร่อยอย่างชาววัง อาหารนั้นมีรสเลิอสมควรแก่พระราชาสเสมอเมื่อกุมภโกศกกลับมาได้ริมรถอาหารเช่นนั้นก็ชื่นชมเบิกบานนางรู้อาการนั้นแล้วจึงขอพักต่อไปคราวนี้กุมภโกศกก็อนุญาตด้วยความพอใจนางได้หุงต้มอย่างดีให้กุมภโกศกแล้วก็ขอพักอาศัยยืดเยือย้ อ, อเรื้องเกลื่อยมา นางวางอุบายเพื่อให้คุณพรโกศตกหลุมรักกับบุตรีของตนจึงแอบตัดเชือกเตียงของคุมพระโกศกอันนี้ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าเตียงเตียงนั้นเป็นเตียงโครงไม้ทักด้วยเชือกอันในอินเดียเขาจะใช้เตียงแบบนั้นโครงไม้แต่ทักด้วยเชือกจึงได้ไปแอบตัดเชือกเตียงนอนของคุมพระโกศกจนเขานอนไม่ได้ เมื่อกุมพระโกศกถามเขาบอกว่าพวกเด็กเข้ามาเล่นจนเตียงขาดเพื่อกุมพระโกศบอกว่าเมื่อกุมพระโกศกบอกว่าเขาไม่มีเขาไม่มีที่นอนแล้วจะทำย่างไรนางก็ให้ไปนอนกับปุตรีของตนทั้งสองก็ได้เสียกันในคืนนั้น กุมารีร้องไห้บอกว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วผู้เป็นแม่ก็บอกว่าช่างเถอะช่างเถอะเจ้าทั้งสองก็เหมาะสมกันดีแล้วผมก็สุสกนี่ก็มีเมียเพราะเชือกเตียงขาดแท้ๆต่อมาอสองสามวันนางสนมก็ส่งสารไปถึงพระราชา ว่าขอให้มีพระบรมราชาองค์การให้จัดงานมรสบในย่านถนนพวกรับจ้างทำงานคนใดไม่จัดทำมรสพในเรือนคนนั้นจะต้องถูกปรับพระราชาทรงมีพระบรมราชาองค์การอย่างนั้นนางจิงพูดกับขุนพระโกศว่าพระราชารับสั่งให้มีมรสพทุกบ้านเรือนใครไม่ทำจะถูกปรับ พวกเราจะต้องทำตามพระบรมราชาวงก์การผัดขื่ไม่ได้คุณพระโกศกบอกแม่หญ่ว่าเขาทำงานรับจ้างก็เพียงได้อาหารรับประทานไปมือมือเท่านั้นจเจ้าเงินที่ไหนมาจัดงานานอรสศกแม่ยายก็บอกว่าธรรมดาผู้อยู่ของเรือนต้องมีมีบักเพราะฉะนั้นเมื่อเจ้า ไม่มีก็ไปยืมใครมาก่อนใช่นี่เขาทีหลังก็ได้ไปเถอะไปยืมมาสักหนึ่งก า, าปณะหรือสองก า, าปณะก็พอกุมภโกศกตีเตียนแม่ยายพื้นพำแล้วก็ออกจากบ้านไปนํากหาปณะที่ฝังไว้มาหนึ่งก า, าปณะแล้วก็มอบให้แม่ยายนางได้แอบส่งกาหาปณะนั้นไปถวายพระราชา พอล่วงไปสองสาวันนางก็ขอให้พระราชารับสั่งให้มีมรารศพอิกุมพระโกศกล้องไปนำการปณะามาหนึ่งการปณะอีกนางได้ส่งการปณะ น, นั้นไปถวายพระราชาเช่นเคยท่านผู้ฟังที่เคารพกับ เ, เรื่องนี้เรื่องของกุมพระโกศผู้ชายผู้ฉเฉลียวฉลาดรู้จักเก็บตัวในการที่ควรจะเก็บตัวยังไม่จบนะครับ ผมขอเล่าต่อไปนะครับเพราะยังไม่จบก็เล่าต่อจากเมื่อคืนก่อนว่าต่อมาอีกสองสามวันนางคือผู้หญิงคนที่ไปว่างอุบายที่จะได้ทรัพย์ต่อมาอีกสองสามวันผู้หญิงคนนั้นได้ส่งข่าวไปขอให้พระราชาสั่งคนมารับคุมพโกศกเข้าไปในพระราชนิหาร พระราชา <c oughs> พระราชาก็ได้สั่งาราชบุรุษให้ไปรับพวกราชบุรุษก็มาที่ถนนเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกคนรับจ้างถามหาคุมพระโคศกทีนี้เมื่อพบตัวแล้วจึงได้บอกว่ า, าพระราชารับสั่ง ให้เข้าข่าวคุณพระโกศกไม่ปรารถนาจะไปบอกว่าพระราชาไม่เคยรู้จักตัวเขาเรื่องอะไรจะต้องรับสั่งให้เข้าข่าวทีนี้เมื่อไม่ยอมไปโดยตีพวกราชาบุษก็ชุดไปโดยภารกการนางสนมเห <c oughs> ็นอย่างนั้นจึง ทำที่เป็นคุณเพื่องแล้วก็คู่ตะคอกบอกรัชประรุลว่าพวกนี้ไม่มีมัญญาไม่สมควรชุดบทเคยของตนแล้วก็หันมาปลอบคุมพระโกศว่าไปเถิดลูกไปเถิดเมื่อไปถึงพระราชาวังแล้วแม่จะกลับทูลพระราชชา ให้ตัดมือตัดเท้าของคนพวกนี้เสียนางได้รีบพาบุตรีล่วงหน้าไปโกดเมื่อไปถึงพระราชวังก็รีบเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวจะใหม่แต่งแบบชาววังยืนเฝ้าพระราชาอยู่ขุมพระโกศกถูกสุดกระชากลากถูมาเข้าพระราชาจนได้พระราชาก็จัดถาม จัดถามว่าเจ้าชื่อกรมพระโกศใช่หรือไม่เขาทูลตอบว่าใช่กรมพระโ ก, ก อ, อพระราชาตรัดว่าทําไมจึงปกปิดทรัพย์็นนั้นมากไปเขาทูลว่าไม่มีทรัพย์เขาไม่มีรัพยบเป็นคนยากจนหาเลี้ยงชีพด้วยการรับจ้างพระราชาก็จัดว่าอย่าหลอกลวง กลุ่มพกะโกศยาหลอกลวงเรารู้ว่าเจ้ามีทรัพย์เสียงของเจ้าบอกเสียงของเจ้าบอกว่าเจ้ามีทรัพย์ข้าพุทธเจ้าเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์เลอเขายังคงยืนยันกับพระราชาพระราชาก็ชูกคาหะปณะให้ดูจักว่านี่เป็นกหาหะปณะของใคร กุ่ภกระโกจำการหัปณะของเขาใจ้ตกใจคิดว่าการหัณะนี้มาถึงพระหัตถ์ของพระราชาได้อย่างไรมองดูไปทางโน้นทางนี้จึงได้เห็นยิงทั้งสองแต่งกายสวยงามอย่างชาวฝั่งยืนเฝ้าจู่ริมพระทวารของเ <c oughs> ขาจึงได้ เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอดพระราชาจึงได้รัตถามต่อไปว่าพูดไปเถอะขุมพะโคศกพูดไปเถอะทำไมเจ้าจึงทำอย่างนี้ทำไมเจ้าจึงปกปิดรับเป็นนั้นมากไว้คขุมพะโกศกเล่าวความคิดของตนให้พระราชาทรงทราบโดยตลอดแล้วสรุปว่า พระพุทธเจ้าไม่มีที่พึ่งจึงปกปิดซับเอาไว้พระราชตรัสว่าคนอย่างพระองค์พอจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ควรจะเป็นที่พึ่งได้หรือไม่ได้ได้แน่นอนได้แน่นอนพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นทรัพย์ของเจ้ามีเท่าไหร่ก็ทูลตอบว่ามีสี่สิบกูพระเจ้าข้า <c oughs> สี่สิบกดก็ควรจะต้องเอาเปลียนควรจะต้องเอาเปียนไปบรรทุกมาพระชายรับสั่งให้เอาเปลียนไปขนทรัพย์ของเขามากองอยู่หน้าพระลันหลวงรับสั่งให้คนในเมืองราชลฤก์มาประชุมกันแล้วก็จัดถามว่าในเมืองนี้ใครมีทรัพย์เท่านี้บ้างรัศดรก็กลับทูลว่าไม่มี พระชาชาตรสถามว่าควรจะทำอย่างไรกับคุมภโกศประชาชนกรบทุนว่าควรจะยกย่องให้เป็นเศรษฐี <c oughs> พระราชาจึงได้แต่งตั้งให้ดำรงอยู่ในตาแหน่งเศรษฐีคุมภโกศได้เป็นเศรษฐีแล้วก็พระราชทานบุตรีของนางสนมนั้นให้เป็นภรญยาแล้วก็ เสด็จไปสำนักของพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยกุมพระโกศกนั้นพระราชาได้ถวายบังคมพระภูมิพระภาคเจ้าแล้วก็กลาบถูนว่านี่คือกุมพระโกศกเศรษฐีคนใหม่ของข้าพระองค์คนมีปัญญาอย่างนี้ข้าพระองค์ไม่เคยเห็นเลย มีซับถึงสี่สิบโกดก็มิได้มีอาการเยอะจริงมิได้อวดตนไม่มีความท่านงตัวทำตนกระดุษคนเข็นใจนุ่งผ้าเก่าๆทำงานจ้างอยู่ที่ถนนเป็นที่อาศัยอยู่ของคนรับจ้างเป็นเป็นผ้าที่ริ้วหออทองหรือหอเพชร เป็นคนที่รู้จักรู้จักรักษาตัวรู้จักถนอมตัวว่าในสถานการณ์อย่างนี้ควรจะทำอย่างไรพ <c oughs> ระรชาได้ทรงเล่าเรื่องทั้งปวงใต้ถวายถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าอาแล้วก็สรุปตรงว่าไม่เคยเห็นคนที่มีปัญญาแยบคายอย่างนี้ยังไม่เคยเห็น ในพระพุทธเจ้าท่านก็จัดสนองพระดำริแล้วก็คือทรงเห็นด้วยกับคำกับทุนของพระเจ้าพิมพิษารแล้วก็จัดว่ า, ามหาบาพิษชีวิตของคนผู้เป็นอยู่อย่างกลุ่มพระโกศก ชีวิตของคนผู้ที่เป็นอยู่อย่างกุมภโกศนีชื่อว่าประกอบด้วยธรรมมีความสุขความเจริญเป็นผลส่วนโจรกรรมเป็นต้นเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนบีบคั้นมีความทุกข์เป็นผลในคราวเสื่อมทรัพย์การประกอบอาชีพเช่นทำนาการรับจ้าง ชื่อว่าเป็นการทำเป็นการกระทำที่ประกอบด้วยธรรมความเป็นใหญ่ห อ, อยศคําจเจริญแก่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยความเพียรบริบูรณ์ด้วยสติมีการงานบริสุทธิ์ใกล้ควรด้วยปัญญาแล้วจึงทําสํารวมระวังกายว่าจัดใจด้วยดีเลี้ยงชีวิตโดยธรรมไม่ประมาทอ่านี่เป็น พระพุทธธรรมรัตทิฏฐ์กับ <c oughs> พระเจ้าพิมพิสารและกลมพระโกศอันนี้เคยตัวอย่างหายกตัวอย่างมาให้ดูว่าคนที่ีรู้เท่าทั น, ฉ, นฉันเชิญกิจการว่าในสถานการณ์อย่างไรควรจะทำตัวอย่างไรหือ <c oughs> ว่า <c oughs> ว่าถ้าเขาเป็นคนโอ้อวดเป็นคนไม่เจียมเนื้อเจียมตัวแบบที่ทำไปแล้วมุนมพระโกศนี่ก็คงจะถูกกล่าวหาว่ารักทรัพย์คงจะถูกเบียดเบียนบีบคั้นถูกอะไรหลายๆอย่างนะครับที่ไม่เป็นไปเพื่อสวัสดิมงคลหรือเพื่อความสวัสดีแกตัวเขา เพราะฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องการมองอะไรให้ชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติไปให้เหมาะสมกับสถานการณ์จะความรู้เท่าทันชั้นเชิงกิจการก็เป็นทางไหลมาของโชคลาภหรือความดีความดีงามทั้งหลาย ตอนนี้ต่อไปหัวข้อที่สี่นะครับว่ไม่เกืิกลัวในทางชิบหายาไม่เกิกตัวในทางชิบหายคือว่าไม่ฝักไฟอบายมุกไม่คบคนผ่านเช่นว่าไม่คบคนผ่านไม่ดื่มสุราไม่ดื่มสุร า, าชนิดที่ว่าสุรากินคน ไม่ใช่คนดื่มสุราอย่างเดียวสุรามันกลับเป็นเป็นนายแล้วว่าคนก็เป็นทาสของสุราไม่คบคนผานไม่ดื่มสุราไม่คบคนชั่วเป็นมิตรไม่เที่ยวกลางคืนไม่เล่นการพ น, นันไม่เก็บครานไม่คบยิงเสพเทือถ้าเป็นยิงก็ ไม่คบชายเซพรีอันนี้ก็เรียกว่าไม่เกิกรั่วในทางจิตหายก็ใช้ปัญญาพิจารณาดูเขาก็แลกกันว่าอะไรมันเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเสื่อมทางจิตหายก็อย่าไปเกิกลั่วกับมันการพ น, นันเพียงการพ น, นันอย่างเดียว ไปเกลีกลักับการพานันอย่างเดียวก็พ่ากันวุ่นวายไปเยอะแล้วคนในสังคมของเราเนี่ยเอาว่าแปลกนะคนในบ้านเมืองเรานะี่ชอบเป็นการพานันคือว่าเอามาเป็นการพานันเยอะหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจะเอามาเป็นการพานันเยอะหมดเอามาเป็นวัตถุแห่งการพานันเยอะหมด ตอนนี้ก็กําลังยุ่งอยู่ทางภาคใต้เกี่ยวกับเรื่องพักการเมืองแล้วก็ทราบข่าวว่าที่ยุ่งมากก็เพราะว่าไปเล่นการพ น, นันกันพ น, นันกันว่ า, าใครจะได้ก็ไปไปไปพ น, นันกันต่อกันอีกคนหนึ่งก็เล่นทางพักหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปเล่นทางพักหนึ่งแล้วเสียมีกองกองทุนในการพ น, นันกันเป็นหลายหลายล้าน เป็นสิบสิบล้านอันนี้ได้ยินข่าวมานะครับอย่านั้นแล้วก็พอแพ้ขึ้นมามันก็มีเรื่องวุ่นวายแพ้ขึ้นมาหรือแพ้หรือชนะก็แล้วแต่มันก็มีปัญหาเกิดขึ้นเยอะถ้าไปเล่นการพ น, นันก็ชกมวยกันเป็นกีฬา ม, มันก็ไปเล่นมันก็ไปเล่นการพ น, นันไม่ว่าจะทำอะไรที่ พอจะพนันได้ฟุตบอลฟุตบอลก็ไปเล่นกัน